ต่อไปดูหน้า18ข้อ4ทุติยาวิพัฒน์ในอัตัตตมีทุติยาวิพัฒน์ที่ลงในอัตตตมีเนี่ยให้แปลว่าในหรือแปลว่าบนในก็ได้บนก็ได้หมายถึงลงทุติยาวิพัฒน์แต่ให้แปลเป็นสัตตมีวิพัฒน์ทิ่งเรามองเห็นที่สับนั่นเป็นทุติยาวิพัฒน์ แต่ว่าเวลาแปลเอาความนั้นให้แปลเป็นสัตมีวิพัตต์แปลว่าในหรือแปลว่าบนเป็นต้นมาดูอุทาหอข้อหนึ่งเอกังสมยังภะควาราชักเหวิหังกระติคิดชกูเตปะพะเตในอุทาหอนนี้เอกังสมยังลงอังทุติยาวิพัตติแต่ให้แปลเป็นสัตมีวิพัตน์ลงอังทุติยา ธุติยาวิพัฒน์ที่ลงในอัตสัตมีนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอังโยไม่ค่อยมีนะจะเป็นอังวิพัตน์ลงมาแล้วให้แปลเป็นสัตมีแปลเหมือนสมิงวิพัตน์นั่นเองดังนั้นเอกังก็แปลว่า1สมัยยังสมยรรัะสับแปลว่าเวลาแปลว่าการแปลว่าสมัยส่วนอังทุติยาวิพัตน์ที่ลงมานั้นแปลว่าในสมัยยังจึงแปลว่าในสมัยเอกัง1นึ่เอกังสมัยยังในสมัยหนึ่ง พระวา่าพระผู้มีพระภาคราชกเหวิหังรตนะิวิหังรติเป็นกริยาก็แปลวิหังรติย่อมประทับอยู่หรือว่าสัประทับอยู่ไม่ต้องย่อมก็ได้วิหังรติประทับอยู่คิดชกูเตปั ะ, ะเตคิชกูเตเป็นชื่อปะะัป ะ, ะเตแปลว่าภูเขาปั ะ, ะเตบนภูเขา คิดชกูเตชื่อว่าคิดชกูต ร, ราชคเหใกล้กรุงราชคือเอกังสมยังสมัยหนึ่งพระขวารพระผู้มีพระภาควิหรารรติประทับอยู่คิดชกูเตปัพพเตบนภูเขาคิดชกูด ร, ราชคเหใกล้กรุงราชคือ ต่อไปอุทาหอนข้อ2สมณาปุพพันหะสมะยังคามังปินดายะปะวิสันติสมณาเป็นประธานปะวิสันติเป็นกิริยาปุพพันหะสมยังเป็นอังทุติยาวิพัฒน์ให้แปลเป็นสัตตมีวิพัฒน์ปุพพันหะสมะยังมีคำอยู่3ามคำข้าสมาธิก็คือปุพพะ ปุพะแปลว่าก่อนแปลว่าเบื้องต้นแปลว่าข้างหน้าแปลว่าเบื้องแรกส่วนอะหะที่เห็นอยู่นั้นแปลว่าวันปุพันหาแปลว่าวันในเบื้องต้นหรือว่าเบื้องต้นแห่งวันสมยังก็แปลว่าในสมัยปุพันหาสมยยังก็แปลตามศัพท์ว่าในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันโดยโวหารหรือแปลเอาความง่ายๆก็แปลว่า ปุพันหาสมยังในเวลาเช้าเบื้องต้นแห่งวันก็คือเวลาเช้านั่นเองสมณาสมณะทั้งหลายปวิสันติย่อมเข้าไปคามังสู่หมู่บ้านปินดายะเพื่อบินธบาศ เอกังสมยังกับปุตพันหะสมยังเนี่ยเป็นกาละสัตมีตามหลักการแปลท่านก็บอกว่าถ้าเห็นกาละสัตมีในประโยคก็ให้แปลก่อน ดังนั้นเอกังสมยังปุพพันหะสมัยังก็แปลก่อนประทานด้วยนะแปลก่อนประทานเพราะเป็นการละสมีแปลการละสมีเสร็จแล้วค่อยมาแปลประทานแปลกริยาและตัวขยายเป็นไปตามลําดับต่อไปข้อ3ปุ่มกริโสอาารังอัจฉาวสติปุ่มกริโสบุงรุงร่อัจฉาวสติ พำนักอยู่อาคารรังในเรือนอาคารรังลงอังทุติยาวิพัฒน์แต่แปลเป็นสัตตมีวิพัฒน์แปลว่าในเรือนอาคาระตรงนี้แปลว่าบ้านแปลว่าเรือนแปลว่าอาคารหรือจะมีรูปสัพท์บาลีว่าอาคารรังก็ได้อาคารรังแล้วก็แปลว่าอาคารอาคารรังก็แปลว่าอาคารเหมือนกันหรือแปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกิริยาว่าอาชาวัตติเนมาจากอธิอุปสรรค อธิอุปสรัคอาอุปสัตวสสธาตวัสสธานแปลว่าอยู่วัสนิวาเสมีอาบทหน้ามีอธิบทหน้านะมีอธิและอาเป็นบทหน้านี้แปลว่าอาศัยอยู่ครอบครองอยู่พำนักอยู่อยู่ประจำบุรุษผู้หนึ่งพำนักอยู่ในเรือนก็อาจจะนั่งอยู่นอนอยู่ หรือทำอะไรอยู่ก็าตามในเรือนนั่นแหละแปลว่าอยู่ในเรือนต่อไปข้อ4มนุษยาเอกมันตังนิสีทันติมนุษยาเอกมันตังนิสีทันติมนุษยาเป็นพู้หูพจน์มนุษย์ทั้งหลายนิสีทันติเป็นกิริยาแปลว่านั่งนิสีทันตินั่งอยู่เอกมันตัง ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางคนก็บอกว่าเอากัมมันตังในที่สุดส่วนข้างหนึ่งคําว่าเอากัมมันตังก็คือที่สมควรแก่ตนนั่นเองคําว่าที่สมควรแก่ตนก็แล้วแต่ว่าแต่ละตนะเป็นใครเช่นภิกษุควรจะนั่งตรงไหนภิกษุณีควรจะนั่งตรงไหนอุบาสกอุบาสิกาจะนั่งตรงไหน Alm. อย่างเช่นเวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุควรจะนั่งหนะ้าตรงไหน พิษุนีอุบาโสอุบาสิกาก็จะนั่งตรงไหนจึงจะเป็นที่สมควรแก่ตนดังนั้นการนั่งในที่สมควรแก่ตนแก่ตนนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเอกะมันตังในที่สมควรหมายความว่าผู้เป็นเถงละก็เข้าไปนั่งข้างหน้าผู้เป็นอนุเถงละหรือนวกะก็นั่งข้างหลังถัดถัดไปเรื่อยส่วนอุ บ, อบาโสอุบาสิกาก็นั่งหลังหลังต่อไปอันนี้จริงเวลาเขาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเขาเฝ้าพระผู้เทเจ้าเนี่ยมักจะครบ ท, Shiva, ท, ท um, ั้งสี่บริษัททั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าเข้าครบทั้ง4บริษัทอย่างนี้ท่านกําหนดไว้อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าหันพระพักไปทางทิศตะวันออกถ้าพระพุทธเจ้าหันพระพักไปทางทิศตะวันออกภิกษุก็จะนั่งอยู่ด้านหลังข้างขวาภิกษุณีจะนั่งอยู่ข้างหลังด้านซ้ายอุบาสกจะนั่งอยู่ข้างหน้าด้านซ้าด้านขวา อุบาสิกานั่งอยู่ข้างหน้าด้านซ้ายถ้าเราเขียนเป็นรูปวงกลมแล้วก็แบ่งออกเป็นสีส่วนนะก็จะได้ตามนั้นนะจะนั่งตรงไหนก็ตามที่สมควรแก่ตนนั้นท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าเวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่ผู้ที่เราเคารพนับถือเราต้องเว้นฐานะที่ไม่สมควร6อย่าง ฐานะที่ไม่สมควร6อย่างนั้นก็คือหนึ่งอภิทูลังนั่งไกลเกินไปนะอภิทูลั ง, งนั่งไกลเกินไปคาว่าไกลเกินไปนั่นก็คือไม่สะดวกเวลาจะพูดจะจาพอนั่งอยู่ห่างๆเวลาจะถามทุกข์สุขก็ต้องพูดเสียงดังหรือไม่ก็ต้องตะโกนถามถึงจะได้ยินดังนั้นการนั่งห่างๆจึงไม่สมควร ต่อไปข้อ2อัจจาสันนังนั่งใกล้เกินไปอาจจาสันนังนั่งใกล้เกินไปคําว่านั่งใกล้เกินไปก็คือว่าเวลาเราเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วเนี่ยคนที่จะเข้าเฝ้าที่หลังก็จะดูว่าผู้นี้มานั่งขวางอยู่จะพูดจะจาจะพูดอะไรเป็นความลับความในหรือจะปรึกษาหารหรือเรื่องในใจอะไรก็ไม่กล้าพูดดังนั้นมีคนมานั่งอยู่ให้ใกล้นี้ถือว่าไม่เหมาะสมดังนั้นท่านจึงบอกว่าอย่านั่งใกล้เกินไป 3. อุปกริวาตังอย่านั่งทางเหนือลมทางเหนือลมที่พัดมาอยู่ทางไหนเราอย่าไปนั่งทางนั้นเพราะว่าเราเดินทางมาไกลเช่นสมัยก่อนภิกษุอยู่หัวเมืองต่างเวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกว่าจะมาถึงเดินทางเหนือไหลใครย้อยมีกลิ่นตัวมีกลิ่นเหมนเหนือใครเวลามานั่งเหนือลมก็จะทาให้รบกวนได้ไม่เป็นที่เคารพต่อไปสี่ อุณตับปเทสังนั่งสูงกว่านั่งสูงกว่านั้นถือว่าเป็นการไม่เคารพดังนั้นท่านจึงบอกว่าอย่านั่งสูงกว่าอย่างที่5อาอติสัมมุขังอติสัมมุขังนั่งตรงหน้าเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นนั่งตรงหน้าถือว่าไม่สมควรถ้าเข้าข้างหน้าแล้วก็แสดงอาการเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ทำความเคารพโดยการกราบไหว้หรือไม่ก็พนมมือหรือไม่ก็ทําอาการใดๆที่บอกให้รู้ว่าแสดงความเคารพแล้วควรเลี่ยงไปนั่งนะที่สมควรของตนเพราะว่านั่งตรงหน้าแล้วเวลาคนมาภายหลังเข้ามาจะกราบจะไหว้พระพุทธเจ้าก็จะมีความรู้สึกว่าได้กราบแต่บุคคลผู้นี้กราบไม่โดนพระพุทธเจ้าทุกทีจึงไม่ควรที่จะมานั่งตรงหน้าข้อ 6. อติปัติฉานั่งข้างหลัง หรือนั่งหันหลังให้ไม่ควรนั่งนั่งหันหลังให้พระพุทธเจ้าไม่ควรนั่งหันหลังให้บุคคลที่เขารบถือหรือว่าเป็นนั่งตรงหลังเกินไปเวลาจะสนทนาพูดจาปราศัยก็ต้องหันไปมองทุกครั้งดูอาการไม่น่าเลื่อมใสดังนั้นการหันหลังให้หรือนั่งด้านหลังเกินไปนั่นถือว่าเป็นฐานะที่ไม่สมควรดังนั้นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเว้นฐานะที่ไม่สมควรหอย่างดังที่กล่าวมานี้ 6อย่างนี้มีแสดงไว้ในหลายที่เช่นในพระวินัยปิฎกในวินัยอัตถกถาหรือมหาวัคคะกะถาสามารถไปเปิดค้นคว้าดูเพิ่มเติมได้ต่อไปอุทาหอนข้อที่5เป็นคาถาคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอจิงรังวัตยังกาโยปัตวิงอธิเศสติชุดโตอเปตวินยาโนนิรัตถังวะกะลิงขะลัง คถานี้พระพุทธเจ้าตรัสให้ท่านปูติคัตตะเถงละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปูติคัตตะติดสะเถงละซึ่งเป็นผู้มีร่างกายเปื่อยเน่าคําว่าปูติแปลว่าเปื่อยแปลว่าเน่าคัตตะแปลว่าร่างกายติดสะเป็นชื่อเดิมของท่านปูติคัตตะติดสะก็คือพระติดสะผู้มีร่างกายเปื่อยเน่านั่นเองเรื่องมีอย่างนี้ว่าสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน มีกุลบุตรผู้หนึ่งได้ฟังทำมัทเหสนาของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาเลื่อมใสมาขอบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารมากมายพอสมควรเป็นพระเถรระผู้ใหญ่แล้วอยู่มาตอนท่านวาัยชรามีโรคอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านก็คือว่าร่างกายของท่านเนี่ยเริ่มมีแผลเป็นฝีเป็นหนองผุพองเปื่อยเน่าดังนั้น ตัวของท่านทั้งตัวเนี่ยล้วนแต่มีฝีเต็มไปหมดเวลาฝีแตกน้ำหนองน้ำเหลืองก็ไหลออกมาจนร่างกายของท่านนะมองเห็นรูพรุนไปทั้งร่างกายบาลีท่านจึงอุ ป, ปมาไว้ว่าเป็นเหมือนร่างแหก็คือมีแต่รูพรุนไปทั้งตัวนั่นเองท่านได้รับความทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ยังไม่บรรลุพระอรหันต์เลยยังเป็นปุถุชนอยู่จนลูกศีลูกขหาเกิดความ เหื่อยหนายเบื่อหน่ายลังเกียจไม่อยากจะดูแลอุปถากรับใช้จึงพากันหลีกหนีไปหมดเหลือแต่ท่านผู้เดียวเท่านั้นวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคแผ่ไข่พระยานเพื่อตรวจ ด, ดูเวนยสัตว์ว่าสมควรจะไปโปรดใครดีก็เห็นท่านปูติคตะติดสาเถงระนี้ปรากฏขึ้นในขา่ ย, ยานของพระองค์พระองค์จึงพิจารณาว่ามัดผลใดๆจะเกิดขึ้นแก่ท่านปูติคตต์นี้บ้างไหม ก็เห็นว่าท่านสามารถบรรลุมรรคผลได้พระพุทธองค์จึงเสด็จไปที่กุฏิที่อยู่ของท่านภิกษุทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางนั้นจึงพากันกราบทูลห้ามว่าอย่าไปทางนั้นเลยที่นั่นไม่สะอาดที่นั่นน่ารังเกียจที่นั่นโสขปรกแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ฟังก็เดินไปที่กุฏิของท่านติดสะเวลานั้นท่านติดสันอนอยู่บนเตียง จีวรผ้านุ่งผ้าห่มทุกผืนเปือเปื้อนไปด้วยคราบน้ำเหลืองน้ำห น, ำนองพันตัวแห้งเกล็ดกลังไปหมดพวกแมงวันแมงวีอะไรต่างๆก็มาตอมหึงไปหมดถึงเป็นหน้าที่เป็นที่หน้ารังเกียจเหมือนป่าช้าเหมือนกองขยะพระพุทธเจ้าเดินสเสด็จไปถึงก็ไปยืนอยู่ที่ด้านหัวเตียงของท่านแล้วก็ปราศัยกับท่านว่าท่านติดสะเป็นอย่างไรบ้าง ท่านติดสัก็หันมามองพระพุทธเจ้าด้วยสายตาละห้อยแล้วก็กราบทูลว่าคงจะไม่ไหวแล้วพระผู้มีพระภาคก็เลยแสดงพระธรรมเทศนาโปรดท่านติดสัแต่ว่าจะแสดงเวลานั้นเลยทั้งทั้งที่ท่านก็ยังมีความอึดอัดจิตใจอยู่ร่างกายก็รู้สึกเกะกลางไปหมดไม่เป็นที่สปายะแก่ทำที่จะแสดงพระพุทธองค์จึงได้ เปลือกจีวรที่เปลือนของท่านนั้นไปซักให้สะอาดสะอ้านแล้วก็นําไปพึ่งแดดเอาไว้เอาผืนที่ซักก่อนที่แห้งแล้วนั้นมาเปลี่ยนแล้วก็เปลื้องเอาผ้าผืนที่เปื้อยู่ภายในไปซักแล้วก็ตากแดดเอาไว้พิกษุลทั้งหลายเห็นอาการอย่างนั้นเข้าก็รีบช่วยกันมานขนไถ่เพื่อจะช่วยเพื่อไม่อยากให้พระผู้มีพระภาคนั้นได้ทําด้วยพระองค์เองก็พากันมาช่วยกระตือรือล้นคนนั้นจัดคนนี้ทําคนนั้นล้าง บางคนก็ซักจีวรบางคนก็ล้างกุฏิบางคนก็ถูเช็ดเตียงพระพุทธเจ้าลงมือทำด้วยพระองค์เองนำผ้าไปชุบน้ำอุ่นแล้วก็มาเช็ดเนื้อถูตัวให้ท่านติดสัตเมื่อท่านมีร่างกายสะอาดความมีกายและหูตาก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านคือมีร่างกายเบาสบาย เหมือนเราทำงานมาทั้งวันตัวเหนียวเนะห น, หนะพอได้อาบน้ำชำระร่างกายกายก็เบาสบายอย่างไรก็อย่างนั้นท่านติดสามีกายสบายสบา ย, สบายเสร็จแล้วจิตใจก็เบาสบายเป็นจิตตะละหุตามีความเบาของจิตเกิดขึ้นเมื่อจิตเบากายเบาพระพุทธองค์ก็พิจารณาเห็นว่าในเวลานี้สมควรจะแสดงทำให้ท่านฟังแล้วจิตควรที่จะได้รับฟังธรรมแล้ว พระพุธเจ้าจึงตรัสธรรมเทศนากับท่านว่าติดสะร่างกายของเธอนี้บัดนี้มันเปื่อยเน่าแล้วไม่เป็นที่พอใจเลยไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยแม้แต่ของท่านเองเปรียบเหมือนต้นไม้ในป่าที่พรุนไปทั้งลำต้นโพรงภายในบุคคลผู้ต้องการต้นไม้เข้าไปสู่ป่าบางคนก็คิดว่าต้นไม้ดีพอตัดลงมาแล้วก็เห็นรูโพรงข้างใน แล้วก็ละทิ้งไม้นั้นไปไม่นำไปใช้สอยประโยชน์บุคคลอื่นมาเห็นเข้าก็เห็นว่าเป็นไม้ไม่มีประโยชน์ฉันใดร่างกายของเธอัตบนี้ก็เป็นฉันนั้นอีกไม่นานนะักร่างกายของเธอก็จะปราศจากวิญญาณถูกทิ้งเอาไว้ให้ทับถมอยู่บนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนฉันนั้นแล้วก็ตรัสคาถาว่าอะจิงรังวัตยังกาโย ο, ปัทวิงอธิเสสติ ชุดโทอเปตวิญญาโนนิกรถังวกคลิงขะลังอาจิงรังแปลว่าไม่นานไม่นานนักอีกไม่นานนักวัตตะยังเป็นบทสนทิ ต, ตัดออกมาเป็นวัตตะบทหนึ่งเป็นนิบาตวัตตะสำนวนไทยมักจะแปลว่าหนอเป็นอาการพิจารณาอาจิงรังวัตตะไม่นานหนออายังมาจากอิมาสั์ในรูปปุงลิงเป็นวิเศษณ์นัของกาโย ο. อยังแปลว่านี้กาโยแปลว่าร่างกายอยังกายโยร่างกายนี้อเปตวิญญาโนปราศจากวิญญาณมีวิญญาณอันไปปราดแล้วสํานวนเขาแปลส่วนมากว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราแปลวความก็บอกว่าอเปตวิญญาโนปราศจากวิญญาณแล้วชุดโทถูกทอดทิ้งถูกละทิ้งอาทิเศษสติ จักนอนทับจักล้มทับปัทวิงบนแผ่นดินปัทวิงคํานี้แหละที่ลงทุติยาวิพัฒน์แต่แปลเป็นสัตตมีวิพัฒน์แปลทุติยาในอัศตมีปัทวิงลงอังทุติยาแต่แปลเป็นสัตตมีว่าบนแผ่นดินไม่ได้แปลว่าซึ่งแผ่นดินบนแผ่นดินนิรัตถังวะเป็นบทสนธิตัดบทออกมาเป็นนิรัตถังบวกอีวะอีวะตัวนี้เป็นนิบาดบอกอัตอุปมาแปลว่า อุปมาเหมือนเปรียบเหมือนเป็นเช่นดุดดังเปรียบหรือว่าเสมอเหมือนนิรัตถังก็เป็นบทสนทีอีกนิแปลว่าไม่มีไม่เป็นไม่ใช่รัฐถังมาจากละอาคมบวกอัดถังอัดถังแปลว่าประโยชน์ละเป็นละอาคมไม่มีความหมายลงมาให้เสียงไพเราะเท่านั้นนิรัตถังแปลว่าไม่มีประโยชน์กะลิงข้างรังกะลิงข้างังนี้แปลว่าท่อนไม้ ท่อนไม้ที่มัวทิ้งเอาไว้ก็มีแต่จะผุจะพังอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรจึงเรียกวกักลิงคละนะถ้าท่อนไม้ที่มีประโยชน์ก็จะมีชื่ออื่นกัลลิงคาะก็คือท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเท่าเป็นฐานเป็นฟืนหรือไม่ก็ผุพังเป็นขุยทิ้งเท่านั้นเองประโยชน์พมาบอกว่านิรัตถังว่ากัลิงคารังกัลิงคารั ง, งอีวะอีวะเปรียบเหมือนกะลิงคารังท่อนไม้นิรัตถัง อันหาประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นพอแปลคาถาทั้งคาถานี้ก็ได้ความว่าอาจิงรังวัตตอีกไม่นานหนออยังกายโยร่างกายนี้อเปตวิญญาโนปราศจากวิญญาณแล้วชุดโทถูกทอดทิ้งอธทิเสสติจักนอนทับปัทวิงบนแผ่นดินอีวะเปรียบเหมือนกลิงขลังท่อนไม้นิรัตถังอันหาประโยชน์ม่ได้ อีกไม่นานหนอร่างกายนี้ปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งไว้แล้วจักนอนทับอยู่บนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนอันหาประโยชน์อะไรไม่ได้จบแล้วแล้วก็ดูข้างล่างมีภาคแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีง่ายๆลองฝึกเป็นทักษะว่าข้อหนึ่งสมัยหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ให้แปลเป็นภาษาบาลีคำว่าสมัยหนึ่งก็ดูข้อหนึ่งข้างบนเอกังสมะยังคําเดียวกันเอกังสมะยังแปลว่าสมัยหนึ่งหรือจะเพิ่มคําว่าในลงไปด้วยก็ได้เอกังสมะยังในสมัยหนึ่งข้าพเจ้าบาลีก็อหังข้าพเจ้าคนเดียวข้าพเจ้าหลายคนก็มาอย่างข้าพเจ้าอะหังอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาสมัยหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา อยู่บาลีก็คืออัจชาวสติทีนี้มาเป็นอาหารก็ต้องเป็นอัจชาวสามิคู่กันอาหารก็ต้องคู่กับมิอัจชาวสามิอยู่พำนักอยู่อาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็เขียนคําว่ากรุงด้วยภาษาบาลีว่าณคั้งระลงสมีลงสมิงสัตตมีวิพัตน์เป็นณคังเรอยุธยานั้นเป็นชื่อเดิมไม่สามารถจะแผลงไม่ให้เป็นบาลีได้ อยุธยาตามด้วยนคังเรว่าอยุธยานาคังเรที่กรุงศรีอยุธยาหรือจะมีศรีด้วยหรือเป็นบาลีว่าศิริก็ได้อยุธยานคังเรที่กรุงศรีอยุธยารวมประโยคทั้งประโยคได้ว่าเอกังสมายังอะหังศรีอายุธยานาคังเรอัจชาวสามิต่อไปข้อสองสาธุพันเต ท่านทั้งหลายจงเข้าไปสู่หมู่บ้านในเวลาเช้าเพื่อรับบินทบาทประโยคนี้เป็นประโยคของร้องเพราะมีคําว่าจงซึ่งเป็นอัดของพันธมีวิพัตน์นั้นเวลาเราแปลใสยคิริยาต้องนึกถึงพันธมีวิพัตน์เอาไว้ถ้าท่านทั้งหลายเป็นตุ้มเห่พันธมีวิพัตน์ก็ต้องเป็นถะตุ้มเหคู่กับถะสาธุพันเตเป็นคําแปลทับศัพท์เอาไว้แล้วเวลาเขียนบาลีก็คือสาธุพันเตนั่นแหละสาธุพันเตก็แปลว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญ สาธุข้าพระเจ้าขอนิมนสาธุเนี่ยขอนี้มนคําว่าสาธุก็คืออัชวะสาอัชวะสตินั่นเองอัาวะสติหรือว่าอัจชวสถะขอนีมนตจงรับนิมนต์ท่านทั้งหลายตุ ม, มเห่ตุ ม, มเหจงเข้าไปเป็นกิริยาเมื่อตุมเหเ่ก็ต้องคู่กับถะเข้าไปบาลีว่าปวิสะ ปะบทหน้าวิสาทแปลว่าเข้าไปใส่ถาวิพัตน์ก็เป็นปะวิสาทะจงเข้าไปขอจงเข้าไปโปรดเข้าไปสู่หมู่บ้านบาลีว่าคามังในเวลาเช้าบาลีใช้นิบาตว่าปาโตเวลาเช้าถ้าเช้าตู่เช้ามืดก็ปาโตวะใส่เอวานิบาตเพิ่มเข้าไปด้วยปาโตวะแต่เช้าตรู่ส่วนแต่เช้าหรือในเวลาเช้าซึ่งไม่กาหนดเวลาว่าเช้ามากก็ปาโตคําเดียว เพื่อรับบินทบาทหรือเพื่อบินทบาทบาลีก็ใช้ว่าปินดายะปินดายะถ้าแปลตามตัวก็จะแปลว่าเพื่อก้อนข้าวก็คือเพื่อให้ก้อนข้าวตกลงไปในบาทนั่นเองแต่ภาษาไทยก็มักจะแปลว่าเพื่อบินทบาทท่านทั้งหลายจงเข้าไปสู่หมู่บ้านในเวลาเช้าเพื่อรับบินทบาทภาษาบาลีเขาบอกว่าตุมมะเห ปุพันธะสมยอย่างในเวลาเช้าหรือปาโตในเวลาเช้าคามังสูมูบ้านปินดายะเพื่อบินธบาตปวิสถะจงเข้าไปนะบาลีก็จะเรียงอย่างนี้ตุ้มมเหปาโตคามังปินดายะปะวิสถะ